พระองค์ตรัสกับนางวิสาขาว่าคือความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยเกิดจากอะไรก็เกิดจากความพอใจนั่นแหละจะนำมาซึ่งความทุกข์อย่างอื่นอีกไม่ใช่น้อยเนี่ก็มีตั้งหลายเรื่องเนี่ยนะอย่างที่ประเทศขเขมรเขาก็มีเหมือนกันนะพระรูปมาเล่าให้ฟังท่านเล่าว่ามีเด็กคู่หนึ่งคือคือในในชาตินี้นะในชาตินี้เขาก็ไม่สมหวัง ทั้งทั้งคู่ก็ไปไปไปไ ป, ไปตายด้วยกันอ่างั้นเถอะไปตายด้วยกันแล้วมันก็ไม่ทราบกรรมนำเกิดยังไงนะมันไปเป็นเด็กแฝดนะเป็นเด็กแฝดผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ในท้องแม่นะีพอมันโตมามันก็แต่งงานกันต่อเลยอนะ่ะไม่ยอมเป็นอื่นเพราะว่ามันมรับละเลิกชาติได้นะเด็กทั้งคู่เนี่ยละลิกชาติได้ก็ก็ลักษณะนี้ก็มีนะก็ชาติก่อนหน้าโนอนไม่ได้อยู่ร่วมกันก็เลยร่วมกันฆ่าตัวตายเนี่ยนะชาติหลังออกมาได้ แต่ว่าเป็นลักษณะนี้นะที่จะได้กลับมาพบกันอีกก็ไม่มากนักนะนะเพราะอาจจะไปพบกันที่แบบไม่ใช่มนุษย์อีกก็ได้นะอันนี้จะเดือดร้อนลําบากอีกกันนะนั่นก็ไ อ, ไอความผูกพันเนี่ยเราก็นึกว่ามันดีในเบื้องต้นแต่ว่าในในบ้านปลายที่สุดแล้วจะนํามาซึ่งความทุกอย่างหาประมาณไม่ได้อย่างานะถ้ามองชีวิตกันแค่ชาตินี้มันไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าผู้ศาสนาเป็น เป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้เป็นสัพพันยูผู้รู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันอย่างไม่มีอะไรข้องขัดเมื่อท่านรอบรู้ในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะท่านก็จะแนะนำสาวกของท่านคือพุทธบริษัทด้วยจิตที่กรุณาว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันนำมาซึ่งความทุกข์ในภายหลังเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจึงจึงควรที่จะภาพเปลี่ยนควรที่จะพิจารณาเพื่อที่จะทาปริญญาเพื่อให้พ้นจากทุกเหล่านี้เนี่ยนะ ถ้าหากว่าผู้ที่ยังไม่พ้นจากทุกข์นนะก็ยังว่าขึ้นชื่อว่าทุกข์นะนี่เอ๊ะความสุขมันก็มีตั้งเยอะแยะเรียกว่าทุกข์ได้ยังไงวันนี้ชอบในที่นางพิษุณีรูปหนึ่งนะนะท่านกล่าวว่าความจริงนี้มีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นแหละที่ที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นแหละที่ที่ดับไปนะเพราะ น, น, นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไป ตอนที่ยังไม่ได้ดูดีการหรืออัตกถาที่บายก็ยังไม่เห็นชัดว่าเอ๊ะความจริงเนี่ยทุกมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ก็ดับไปเนี่ยมันเป็นยังไงคำว่าทุกทุกในที่นี้มีสามประการด้วยกันเนี่ยนะคืออย่างที่หนึ่งอะไรทุกอะไรทุกขตาหรือทุกขทุกเนี่ยนะวิปริณามทุกและสังขาระทุกเน่นะทุกขทุก สองสังขารทุกข์แลวก็วิปริณามทุกข์ถ้าโดยความหมายเนี่ยทุกข์ทุกข์ได้แก่ทุกขกายและทุกขใจเนี่ยนะทุกขกายทุกขใจนั่นเองอันนี้ทุกข์จริงๆเลยนะทุกข์แปลแบบแง่ายว่าเจ็บปวดทั้งกายเจ็บปวดทั้งใจอันนี้เรียกว่าทุกขทุก ส่วนสังขารทุกเนี่ยนะทุกเพราะไม่เที่ยงอันนี้แปลว่าทุกเพราะไม่เที่ยงนั่นเองหรือหรือความสิ่งใดที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็นับว่าเป็นทุกวิปริณามาทุกก็คือความสุขแต่เป็นความสุขถ้าหมดไปก็จะนามาเสื่ความทุกใช่ไมเรียกว่าทุกเพราะแปรไปนมนมสมมติว่านมสดที่ใส่น้ำตาลแล้วหวานหน่อย ถ้าตอนที่มันหวานก็ดีใช่ไหมแต่ถ้าเก็บไว้ค้างคืนจะเป็นไนงนี่ไงหรื อ, อ, อผลไม้หรือของหวานเนี่ยนะขนมหวานเนี่ยที่ขนมหวานแบบหวานแบบโบราณ น, นะที่ไม่ได้ใส่สารอะไรเลยนะรดช่องอย่างเงี้ย น, นะแบบโบราณเลยนะถ้าเก็บไว้สักสองคืนนี้เป็นไงคุณชูศรีทานลงไหมนี่ไงเอก็ของหวานไม่ใช่เหรออย่างเงี้ยไงแล้วไอ้ของหวานอันนั้นถ้าแปรไปก็หมดปลายชั้นได้ความสุขทั้งหลาย ถ้าความสุขเหล่านั้นหมดหนะ้าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าคนดูทั้งหมดเลยนะคำว่าสังขารทุกข์นี้อมอุปาทานขันไว้ทุกชนิดงั้นความจริงก็มีแต่ทุกเหล่านี้เกิดขึ้นนะถ้าใช้คําว่าทุกขะทุกข์คาว่าอิทธารมเนี่ยมาหมดเลย เ, เข้าไปอันนี้านมนะ อ น, นินถารมแปลว่าอารมณ์ที่ไม่น่าปราถนาจะเข้ามาหมดวิปริณามทุกขก็คืออิทธารมสังขารทุกข์ก็คือมัชตารมเนี่ยนะก็คืออารมณ์ปานกลางเพราะนั้นทุกอย่างในโลกนี่นำมาซึ่งเขก็คือมีแต่กองทุกขเหล่านี้นะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยวิปริณามทุกขถ้าความสุขมันหมดไปมันจะพาไปไหน ก็พาไปหาทุกอันนี้อีกเมื่ออา้าวพอเกิดความทุกทางกายทุกทางใจก็มาพยายามแก้ใช่ไหมพอแก้มันก็ลดลงมาเป็นสังขารทุกข์ถ้าแก้เก่งมากก็มาเข้าวิปริณนามทุกเพลย์อ้อาวเข้าสู่ทุกขะทุกอีกว่าก็ความจริงมันก็มีแต่ทุกเราเนี่ยที่เกิดขึ้นพ้นผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายเขาจะเห็นสุขอันนี้โดยอะไร ผู้มีปัญญาเขาจะเห็นว่าสุขโดยความเป็นทุกข์เห็นทุกข์อันนี้เหมือนกับลูกศอนเพราะมันเสียบแทงแล้วก็เห็นอาทุกข์ามสุขโดยความเป็นของไม่เทียเ่ยงนเะันเขาก็จะสงบราคะโทสะและโมหะเพราะว่าผู้ที่รู้จริงในทุกขทุ์จะสงบโทสะผู้ที่รู้จริงในวิปรินามทุกขสงบราคะผู้ที่รู้จริงในสังขารทุกข์เนี่ยสงบ โมหะเขาจะเป็นเสรีชนนั่นคืนก็บอกว่าก็ความจริงแล้วก็มีแต่ทุกข์ข้างนนะที่เกิดขึ้นคำว่าเกิดขึ้นเนี่ยบ่งทั้งในเกิดตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิการเนี่ยนะไม่ใช่เน้นเอาแค่เฉพาะขณะเฉพาะหน้าอย่างเดียวหมายถึงเอาทุกเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิการเริ่มตั้งแต่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะก็เรียกว่ากองทุกข์ได้เริ่มเกิดขึ้นแล้ว เรียกว่าชาติทุกใช่ไหมทีนี้ไอระหว่างที่ดำรงอยู่ตลอดชีวิตเนี่ยก็ทุกสามประการเนี่ยก็เป็นไปเสร็จ แ, แล้วก็ทุกข์ที่ดับไปก็ดับโดยขณะแล้วก็ดับโดยไม่เที่ยงนะนะคือดับแบบตายจริงๆด้วยนะะก็คือมีแต่กองทุกเหล่านี่ยที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทีนี้ถามว่าสิ่งเหล่นี้เป็นฝ่ายเราหรือฝ่ายเขามันเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นฝ่ายอื่นใช่ไหมถ้าพิจารณาดูโดยแยกขาดก็ว่าสิ่งที่เป็นทุกขนะ์นั่นแหละเป็นอนัตตาเพราะทั้งหมดนี้เป็น ฝ่ายอื่นเนี่ยนะอันผู้ที่รู้เห็นตามเป็นจริงอย่างนี้นะจะละวิชาได้วิชาจะเกิดขึ้ น, น, นถ้าที่อื่นนะคำว่าทมทั้งปวงไม่ควรถือมั่นนะนะหมายถึงทุกขสัตว์คือไม่ควรเข้าไปถือมั่นว่าเป็นของเที่ยงว่าศขว่างงามว่าอัตตา แต่ในที่นี้เนี่ยเข้าไปเห็นโดยประการอื่นซึ่งก็เนื้อหาก็ไม่แตกต่างกันพันผู้ที่เห็นอนัตตานั่นแหละคือเห็นโดยความเป็นทุกข์ด้วยเ ห, เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงด้วยนั่นแหละจึงเห็นความเป็นอนัตตาส่วนอีกสูตรหนึ่งเนี่ยนะพิกุสูตรพูดถึงภารกิจของพระภิสูจน์ที่บวชเข้ามาเนี่ยนะกล่าวว่าพิกษุรปหนึ่ง ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกปริพาชกผู้ถือลัทธิอื่นในโลกนี้ย่อมถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่าอุโสท่านอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นในพระสมณโคดมเพื่ออะไรเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้จึงพยากรณ์แก่ปริพาชกผู้ถือลัทธิอื่นเหล่านั้นอย่างนี้ว่าเราประพฤติพรหมจรรย์นในพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อกําหนดรู้ทุกข ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้พยากรณ์แล้วอย่างนี้ย่อมเชื่อว่าเป็นผู้กล่าวตามพระดํารับที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วไม่กล่าวตูพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคําไม่จริงย่อมพยากรณ์ธรรมะสมควรแก่ธรรมะอันหนึ่งการกล่าวและกล่าวตามที่ชอบแก่เหตุแม้น้อยหนึ่งจะไม่ควรติเตียนหรืออันนี้ก็คล้ายว่าไอ้ที่ตอบคําถามนี้ไปเนี่ยนะสอดคล้องกับคําสอนของพระผู้แต่เจ้าไหม ที่บอกว่าบวชเพื่อกําหนดรู้ทุกเนี่ยนะที่ตอบแบบนี้ไปคําว่ากําหนดรู้นี่มาจากบาลีว่าปริญญานะคือที่บวชเข้ามานี่บวชมาเพื่อทําปริญญาในในทุกเนี่ยนะหรือถ้าไม่ใช้ปริญญาก็พูดแบบสับปีศัพบหนึ่งก็บอกบวชเพื่อมาวิจัยทุกอย่างนั้นนอเพราะคําว่าปริญญานะถ้าเป็นชื่อของปัญญาที่มาทําปริญญาเขาเรียกว่าธรรมะวิจัยเนี่ย น, นะวิจัยทุกข์เพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่านี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขานิโรดนี้ทุกขนิโร ธ, โรธถาขามิมีปฏิปทานนั่นเองพระผู้มีพระภาคก็ยอมรับอนะว่าสาธุถูกแล้วภิกษุเธอทั้งหลายเนี่ยนะดูก่อนพิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วเมื่อพยากรณ์อย่างนั้นน่ะย่อมชื่อว่าเป็นผู้กล่าวตามคําที่เรากล่าวแล้วไม่กล่าวตูเราด้วยคําไม่จริงย่อมพยากรณธรรมสมควรแก่ทำทั้งการกล่าวและกล่าวตามที่ชอบแก่เหตุแม้น้อยหนึ่ง ย่อมไม่ควรติเตียนอะไรเงี้ยสรุปว่าพระองค์รับรองว่าถูกต้องแล้วที่ว่าที่บวชเข้ามาบวชมาเพื่อทําปริญญาในทุกหรือกําหนดรู้ทุกเนี่ยถูกต้องแล้วแต่ถ้าปริญญาในที่นี้หมายถึงปัญญาที่เข้าไปทําปริญญาอย่างหนึ่งหรือหมายถึงสิ่งที่ถูกทําปริญญาเนี่ยนะฉั้นคำว่าปริญญาหมายถึงปัญญาที่เข้ามาทําปริญญาฉันปัญญาที่ปริญญาในทุกจริงๆแล้ว โดยสูงสุดคือปัญญาในมรรคจึงจะเชื่อว่าทำปริญญาในทุกอย่างแท้จริงถ้าปัญญาอย่างทั่วๆไปยังทำเหมือนกันแต่ยังไม่ยังไม่พอที่จะพ้นทุกอย่างนั้นพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายเธอทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในเราคือในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะก็เพื่อกำหนดรู้ทุกข์ถ้าพวกอัญญะเดรธีปริภาชคจะพึงถามเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่าอาวุโส ก็ทุกที่พวกท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคโดมะเพื่อกําหนดรู้ว่าเป็นชนยัยเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงพยากรณ์แก่อัญญะเดียรถีปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่าอาวุโสจักสุแลเป็นทุกเราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อกําหนดรู้จักสุอันเป็นทุกขนั้นนะว่าบวชมากําหนดรู้ตาเนี่ยนะ คือข้อความอันนี้เนี่ยน ะ, ะพาให้เข้าใจผิดไม่น้อยทีเดียวนะที่เป็นภาษาที่เราไปแปลว่ากําหนดเนี่ยคาว่ากําหนดเนี่ยถ้าถ้าไม่ได้อัตถกถานะหรือว่าถ้าไม่ได้ศึกษาในกว้างขวางนผู้ที่ฟังผิวเผินว่าผู้เพื่อกําหนดรู้ทุกเนี่ยนะก็หมายความว่ามีความรู้สึกว่าเราจะต้องไปไปทุกร้อยก็สิ่งเหล่านั้นด้วย หรือว่าถ้าตาเป็นทุกข์เนี่ยก็ต้องโอ้โหไอ้ตาเนี่ยมันเป็นทุกข์ทำให้เราเนี่ยต้องไปเผชิญกับทุกข์อันนั้นด้วยนยีแต่เพราะเราอ่านในอย่างที่ท่านให้ผมไปเล่นมันนะในปฏิสัมพิทานะในนา น, นัตตายานธรรมนัออ้นสตยาณธรรมนานตัรรนานตตายานนี่นะท่านบอกว่าเออถ้าผู้ใดนะเห็นตาเป็นทุกข์นะถ้าเห็นจริงๆแล้วจะเกิดปรามโมทนะจะเกิดปิตินะ อ๋อแปลงไหมมันผิดกันลิบลับเลยนะก็ไอ้ที่แต่ก่อนที่เราเข้าใจหรือว่าคนทั่วไปเข้าใจเนี่ยก็เพื่อไปกําหนดรู้ทุกเนี่ยนะหมายความว่าไม่ได้ไปเห็นตัวทุกแบบนั้นนะเราไม่ได้ไปทุกด้วยนะ เ, นยเข้าไปทําการวิจัยเนี่ยชัดเจนมากเลยเข้าไปวิจัยแ้่คนวิจัยไม่จําเป็นต้องไปทุกด้วยหมอตาเจ็บก็คนวิจัยตาเจ็บเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นจะต้องไปตาต้องไปเป็นพ่อด้วยไม่จําเป็นเลยว่ เนี่ยนะข้อความซึ่งซึ่งซึ่งปฏิบัติกันผิดผิดมียกแบบนี้นะถ้าเข้าใจไม่ถูกต้องนะก็า<ม>ถาม<ก>ว่าหมอไปทําปริญญาในเรื่องโรคอ่นนะหมายถึงว่าหมอคนนั้นเป็นโรคนั้นก่อนใช่ไหมค่อยไปทําก็ปกติหมอก็ยังไม่ได้เป็นโรคอันนั้นนะนะที่ที่ไปวิจัยโรคทั้งหลายแหละนะนักวิจัยเป็นโรคนั้นนั้นก่อนไหมที่ไปวิจัยนะไม่เป็นจางเกสุดาเนี่ยไปวิจัยตายเนี่ยนะตอนนั้นเป็นโรคตายหรือเปล่านะก็ไม่ได้เป็นอยู่แล้วเนี่ยนะ นี่ก็เหมือนการผู้ที่เข้าไปรอบรู้เนี่ยพิสูจน์ในพระศาสนาไม่ใช่ว่าท่านทุกจนนั่งเครียดไม่ใช่เนี่ยครับคือเวลาเขาปฏิบัตินะไปมองดูว่ามันเจ็บไปปวดอะไรอย่างเงี้ยนะไปไปนี่มาได้เจ็บปวดเลยดีไปดูว่าเจ็บปวดนั่งให้มันเจ็บให้มันปวดนะนะแล้วจะได้รู้น่งให้มันฟุ้งบ้างจะได้ไปรู้ว่าเออนั่นนะมันทุกข์นะ ก็มีบางท่านเขาแนะนำอ่ะนะถ้าอยากทุกข์ไม่ยากอะไรใช่ไหมอะไรเคาะเล็บซะหน่อยไหกําหนดได้นานเลย่ะคือคําว่าเป็นทุกข์คำว่าทุกข์ในในคำสอนเนี่ยนะไม่ได้หมายถึงทําให้เป็นทุกข์แต่หมายถึงเข้าไปรอบรู้ในกองทุกข์คือคํา nope ว่าทุกข์ก็คือสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ ตาเนี่ยเที่ยงไหมไม่เที่ยงนะสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ฮันผู้ที่รอบรู้ในความเป็นทุกข์อ่ะคือผู้ที่รู้ปวัตตับวันนี้ดูข้อความหนึ่งเขาบอกว่าผู้ที่มานสิการโดยความเป็นของไม่เที่ยงจะได้อะไรเขาจะรู้อะไรถ้ามานสิการโดยความเป็นทุกข์เนี่ยเขาจะรู้อะไรถ้ามานสิการโดยความเป็นอนัตตนี่เขาจะรู้อะไรถ้ามานสิการโดยความเป็นของไม่เที่ยง เรียกว่าจะรู้นิมิตนิมิตอันนี้หมายถึงขันห่านะถ้าพิจารณาโดยความเป็นทุกข์จะรู้ปวตตะถ้ามนัิการโดยความเป็นอนัตตาจะรู้ทั้งนิมิตและปะวัตตะปวัตตะนี่โดยพทรแปลว่าเป็นไปผู้ที่มนัิการจักสุกว่าเป็นทุกข์เนี่ยนะ หมายถึงว่ารู้ความเป็นไปของจักสูอย่างอย่างตลอดใช่มรู้ตั้งแต่จักสูเนี่ยเริ่มก่อตัวหรือเกิดไปจนถึงจักสูเนี่ยแตกดับรู้อย่างตลอดสายเนี่ยเขาเรียกว่าพิจารณาทุกลักษณะเนี่ยนะถ้าพิจารณานี่จะลักษณะก็คือเห็นความไม่ได้มั่นคงของแต่ละแต่ละแต่ละธรรมของแต่ละตัวแต่ละ ต, ต, ตัวเนี่ยนะเช่นจักสูเนี่ยไม่ได้มีความมั่นคงอยู่ในตัวเอง ผู้ที่รู้อนัตตาเนี่ยจะรู้ทั้งนิมิตและต ว, วัตตนนั่นนะตัวที่เจริญจริงๆนะถามว่าเจริญเจริญจากสุให้เป็นทุกข์หรือว่าเจริญปัญญาน่นะอันนั้นก็บอกว่าผู้ที่มนัสิการโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะเป็นเหตุให้เกิดปราโมทอันนี้สง่งนะถ้าเจริญถูกต้องจริงอ่ะจะนามาซึ่งปราโมท โปรมโมดนำมาซึ่งปติปีตินำมาซึ่งสุสุปีตินำมาซึ่งปัสสัท ธ, ธินะปัสสัท ธ, ธินำมาซึ่งสุกเนี่ยนะสุนำมาซึ่งสมาธินะผู้ที่มีสมาธิจะรู้เห็นตามเป็นจริงมานนี้ทุกเนี่ยนะจักสุเนี่ยเป็นนี้ทุกจกักจักขุจักขุสมุทยัยจักขุนิโรจักขุนิโรทัข า, ามินีปฏิปทานัน่นเองัน ตัวกุศลธรรมที่เจริญขึ้นเนี่ยผู้เจริญเขาไม่ได้มีความทุกข์เลยเขากลับมีความสุขอย่างเทนิตรีว่าอย่างที่ก่อนหน้านี้เราคุยมาว่าคนที่ยึดกับคนไม่ยึดใครจะมีความสุขกว่ากันนะฮเพะนั้นข้อปฏิบัติอันนี้ข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความไม่ยึดเนี่ยมีความสุขตั้งแต่ปฏิบัติแล้วจนผู้ปฏิบัติเขารู้ว่าถ้าเขาไม่ปฏิบัติอย่างนี้เขาทุกข์อ่ะถ้าถ้าคนที่เข้าใจคําสอนดีเนี่ยเขารู้เลยว่าถ้าเขาไม่เจริญเขาอยู่เป็นทุกข์ ที่เขาจําเป็นต้องเจริญอยู่ตลอดหรือไม่ละทิ้งอ่ะเพราะว่าพอเผลอเมื่อไหร่ก็ทุกอีกแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาระวังมากเลยนะที่ที่จะต้องรักษาที่จะต้องเจริญที่จะต้องพ่อพูนให้บ่อยให้มากเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าไม่เจริญแล้วมันมันมันเป็นทุกข์อ่ะเอาแค่เราธรรมดาเฉยๆเนี่ยนะเอาคุณมุนชูเนี่ยอะไรก็ได้ไปนั่งอยู่ที่สนามกีฬาให้อยู่สักสามวันเลยนะอยากเจริญกุศล น, นะถามว่าคิดว่าจะมีความสุขหรือมีความทุกข์หนึ่งถ้าให้ให้ไปอยู่หลีกเลนเพื่อเจริญก อันไหนจะสุขอันไหนจะทุกข์กว่ากันนเนี้ยก็รู้อยู่แล้วว่าผู้ที่เข้าใจคําสอนเนี่ยถ้าไม่ได้เจริญอย่างคําสอนอยู่เป็นทุกข์แต่ถ้าเจริญและมีความสุขแต่ผู้ไม่เข้าใจคําสอนถ้ามาเจริญแล้วทุกข์ถ้าไม่ไม่เข้าใจเลยนะเจริญแล้วทุกข์ไม่เจริญแล้วสุขคือแม้แต่ศีลก่อนลักษณะเนี่ถ้าถ้าถ้าเจริญศีลได้ถูกต้องสมบูรณ์นะก็จะเกิดปราโมทเกิดปิติเกิดประสัที่ ยยกัอ่างนนน้เพราะอันนี้สงฆ์ของศีลเ น, นี่ยนะศีลนามาซึ่งอวิปปิสารศีลนามาซึ่งอวิปปิสารเนีนย่ยนะท่านอวิปปิสารนํามาซึ่งปรามโมทปรามโมทนํามาซึ่งปีติปีตินํามาซึ่งปัสสัทธิปัสสัทธินํามาซึ่งสุขสุขนามาซึ่งสมาธิสมาธินํามาซึ่งอันนี้เนีนย่ยนะแต่อันนี้ขึ้นต้นด้วยวิปัสนาอย่างเมื่อกี้ น, นะคือถ้ามานสิกามโดยความเป็นของไม่เที่ยง ตัวตัวที่มนาสิการคืออาวชณะเนี่ยนะอาวชนะไปในความไม่เที่ยงของตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะก็นํามาซึ่งปราโมทย์สุขซึ่งคนที่จะมาอาวชณนะมนสิการโดยความเป็นของไม่เที่ยงกุศลธรรมเหล่านี้เข้าบริบูรณ์อยู่แล้วเนี่ยนะซึ่งเขาปฏิบัติเพื่อเกิดว่าเพื่อออกจากวาตานะเพราะอะไรเช่อย่างว่าถ้าถ้ามีมีตาหูจมูกลิ้นกายใจกับไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ย เขาเทียบอยู่ตลอดว่าอันไหนสุกกว่ากันนั น, นะอันนี้เขาช่างอยู่ตลอดเวลานะมีกับไม่มีมีกับไม่มีอันไหนดีกว่ากันก็บอกว่ามีแล้วมันเป็นภาระอย่างหาที่สุดไม่ได้เนี่ยนะอันภาระที่ที่สัตว์ทั้งหลายทุกอยู่ก็คือภาระในการบริหารตาหูจมูกลิ้นกายใจนะถ้าบริหารตานะถ้าหาสีไม่ดีให้ดูนะอะไรจะเกิดเดือดร้อนอีกใช่ไหมถ้ามีหูเนี่ยบริหารหูต้องไปหาเสียงให้มันฟังนะถ้าหาเสียงให้ไม่ถูกใจนี่ก็ มีจมูกต้องบริหารกลิ่นนะถ้าสมมติถ้าเราเอากลิ่นที่เราไม่ชอบมามาใช้เนี่ยนะอะไรจะเกิดมีลิ้นก็บริหารเพื่อบริหารลิ้นเนี่ยต้องไปหารสนะเดี๋ยวฟังทำจบก็ไปหาบริหารลิ้นต่ออย่างนะแล้วก็บริหารลิ้นบริหารกายนะเดี๋ยวมันร้อนเกินไปก็ไม่ได้เย็นเกินไปก็ไม่ได้ต้องบริหารให้พอดีนะแล้วบริหารความคิดเนี่ยหนักกว่านัน้นเยอะเนี่ยนะคิดคิดไปคิดมาสะดุดความคิดตัวเองเลยเครียดเลยนะคิดไปคิดมาเอายุ่งอีกแล้วเนี่ย นันก็พวกนี้มันถือว่าเป็นภาระถ้าผู้มีปัญญาทั้งหลายเนี่ยเขาถือว่ามันมีภาระถามว่าทาไมจึงเป็นภาระบอกมันไม่มีบริหารจบมีบริหารสิน้นทิ้งปกตินะปุตุชนทั้งหลายทิ้งภาระอันนี้ถือเอาภาระอันใหม่ทิ้งภาระอันนี้อื่นนะก็ไปหยิบเอาภาระไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยก็บริหารภาระเนี่ยนะแต่ก็อย่างว่านะเพราะความวิดพลาดสัตว์ทั้งหลายก็เลยมีความสุขกับการอยู่กับภาระอันนั้นไป คือเข้าใจผิดอ่ะนะอย่างคนที่ที่แดดร้อนมากอ่ะนะแค่เขาเข้าร่มที่มันองศามันลดไม่กี่องศาเขาก็บอกเออนี่มันก็สบายดีเหมือนกันนะใช่ไหมอย่างเขาเดินนะสักสี่สิบองศาเขาไปนั่งสักลดสักห้าองศานี่ยนะเออค่อยยังชัวนน่วหน่อยเขาบอกงั้นนั่นแหละก็สบายละก็อันนี้คือความวิปลาดคืออัอออออนหนึ่งที่น่าสังเกตคือว่ า, าพระโยคาวจอนเนี่ย มีจักสุเป็นอารมณ์ของการเจริญวิปัสนาหรือว่ามีจักสุในการทําปริญญาเอาจักสุมาเนี่ยทั้งๆที่หลับตาเนี่ย น, น, น, น ะ, ะก็สามารถที่จะทําปริญญาในจักสุได้นี่นะเพราะฉะนั้นคําว่าต้องมีสภาวะทำที่ปรากฏจึงจะเป็นอารมณ์วิปัสนานี้เป็นโมคะนี่เป็นโมคะการเจริญรูปรูปธรรมทั้งหลายนี่นะมหาภูตารูปเนี่ย โดยที่ไม่ไม่จำเป็นต้องมีลูปมาปรากฏทางทางทางทวารไหนก็ได้นะฮะคนโซเชนช่วยเปิดเอาดีกาพิสุธิมักเล่มเล่มเจ็ดมาให้หน่อยคืออันนี้เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าอพภายโยคาวจรสมัยสมัยท่านสมัยพุทธกาลน่ะท่านเจริญเนี่ยนะท่านอยู่คนเดียวเนี่ยนะและเวลาท่านเจริญเนี่ยท่านไม่ต้องมีสิ่งเหล่านี้เข้ามา มาเป็นอารมณ์เลยจ ะ, จะเจริญพิจารณาราคาก็ได้พิจารณาโทศาสตรก็ได้ซึ่งในสิ่งเหล่านี้เนี่ยแล้วกิจของท่านมาันจะเป็นอกุศลไมด้วยเลยนี่นี่เป็นเรื่องที่ที่ <S <S ก็อย่างสมมติถท่านพิจารณาชาติทุกข์เอาไงคือผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจเนี่ยยังไงท่านก็ต้องพิจารณาชาติชรามรณะโศกะปริเทวทุกขโทมนัตและอุปาญาต้องรอบรู้อุปาทานขันใช่ไหมถามว่าถ้าสมมาเนอายุเจ็ดขวบเนี่ยท่านพิจารณาชราไปทุกขามพิจารณาไง หรือคําว่าทุกในที่เนี้ย ใ, ในในคำพีท่านก็นบอกว่าพิจารณาทุกในนรกในเปรตในอสุรกายในเดรฉ า, านถามว่าเราต้องไปเกิดที่นั่นก่อนไม่ค่อยคิดเออมันทุกจริงจริงเลยนรกเนี่ยไม่ไว้เลยนะพอไปตอนนั้นอะเหตุกาปฏิสนธิอะนะจะไปพิจารณาอะไรได้คือบอกว่าสิ่งที่ปรากฏจึงพิจารณาได้แล้วย้ําด้วยนะบอกว่าสิ่งที่ปรากฏนั่นแหละจะประกาศความจริงให้เราทราบได้เห็นไหม นี่พระคำสอนต่างๆซึ่งไม่ใช่มีพระสัพพัญยุตยานไม่มีอัปฏิสัมพิทานิรุตตาปฏิสัมพิทามาเป็นปัจจัยแล้วนี่คำสอนเหล่านั้นเนี่ยไ ม, ไม่ไม่สมบูรณ์อย่างในวิสุทธิมักกล่าวถึงการกำหนดรู้สภาพแข็งลักษณะแข็งเนี่ยนะลักษณะแข็งที่เรียกว่าผมเนี่ยแข็งคือปฐวีธาตุในเส้นผมมีลักษณะแคบแข็ง ถามว่ารู้ด้วยปัญจทวารหรือรู้ด้วยมโนทวารตั้งคําถามนะที่เจริญกําหนดแข็งอะถ้าแล้วนั่งรูปผมตลอดเลยหรือนั่งเสยผมตลอดเพื่อจะได้รู้ว่าเออมันแข็งนะอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเสยผมเออมันพลนึกออกว่าเออตับมันแข็งเนะี่ยต้องทายัางไงกันนี่ไยมันแข็งก็ทําไงปอดมันแข็งนะเออต้องนั่งบีบ ป, ปอดด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะเั้นหรือมันสมองเนี่ยนะแค่งแข็งเลยนะปทวีธาตุในมันสมองนี่แค่งแข็ง หรือปฐวีธาตุในเยื่อในกระดูกนี่แข่นแข็งไปเคาะอะไรได้จะรู้เอาพรานะท่นการเจริญไม่ได้เจริญในกายถาวรเนี่ยนะซึ่งในดีกาวิสุทธิมักเนี่ยนะขยะที่กำหนดรู้สภาพแข่นแข็งของของปฐวีธาตุที่อยู่ในเส้นผมเนี่ยนะอ่าซึ่งพออ่าปฐวีธาตุมีลักษณะแข่นแข็งนะกักขลารักษณะเนี่ย นั่นก็บอกว่าคําว่ารับรู้อารมณ์ได้แก่รับรู้อารมณ์คือโพธะะกล่าวคือภาวะกระด้างท่านอาจารย์กล่าวถึงการตกลงไปเฉพาะทางกายทวารหรือกล่าวถึงชวนะวิญญาณทางมโนทวานอย่างเดียวก็ชวนะวิญญาณทางมโนทวานนั้นย่อมรับรู้ปฐวีธาตุมีลักษณะแข่นแข็งไอชวนะทางมโนทวานนะที่รู้ลักษณะแข่นแข็ง ส่วนการตกลงไปเฉพาะหน้าทางกายทวาร น, นอกนี้เป็นเพียงรับรู้ลักษณะแค่งแข็งเท่านั้นกายทวารแค่รับรู้ลักษณะแต่ไม่รับรู้นะกับเข้าไปรู้ลักษณะนิโคลานกันกายทวานนี้เป็นการรับรู้ลักษณะแต่มโนทวานเนี่ยแทงตลอดในลักษณะหรือรอบรู้ในลักษณะนั้นนั้นการพิจารณาการเจริญการใคร่ครวญ น, นั้นไม่ใช่ว่า จะต้องคําว่าจะต้องไปสัมผัสกับวัตถุนั้นๆเนี่ยนะไม่ใช่เลยการการพิจารณาการใครควรวนนั้นเป็นเรื่องของปัญญาที่เข้าไปแทงตลอดแต่ในขณะเดียวกันนั้นการศึกษาหรือการปฏิบัตินะสิ่งที่สำคัญมากคือลำดับถ้าเราไม่เข้าใจลำดับของการพิจารณาการเจริญเนี่ยยังไงก็เจริญไม่ได้อยู่แล้วนะนั้นเรื่องลำดับหรือขั้นตอนในการเจริญการพิจารณาจึงสาคัญ อย่างผู้ที่พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเขามีกระบวนการคือการสาธยายเป็นต้นมาอย่างช่ำชองอย่างชำนานแล้วนะจนจิตเนี่ยสงบจากนิวรเป็นต้นเข้าจึงใคร่ครวญไม่ใช่ว่าอ ย, อยู่อยากนึกเจริญก็เจริญเลยนะกำหนดรู้สักหน่อยแล้วก็พอนะอ้าวแล้วก็มันนึกได้อีกเมื่ อ, อไหร่ก็ ก, กำหนดสะทีนึงนะก็ต่อพอไปอีกแล้ว นึกๆได้เมื่อไหร่กำหนดอีกที่นึงนะวันหนึ่งกำหนดได้3ครั้งแหมเจ๋งมากสติเกิดตั้ง3ทีอันไอ้ที่เหลือเนี่ยเกือบ24ชั่วโมงที่เหลือนี่ไม่ใช่เลยนะอันั้นก็ถ้าความเข้าใจไม่ถูกต้องนี่ก็ลำบากมากฉ <c oughs> ันผู้ที่กำหนดรู้หรือที่เรียกว่าบวชมาเพื่อกำหนดรู้ทุกเนี่ยนะหมายถึงกำหนดรู้ในจักสุขรูปจักคโควิญญาณภาษเวทนาเนี่ยนะทวารตานะ แล้วชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมีถ้าถ้ากล่าวถึงโลกทวารตานี่มีไม่พ้นอ่ะตาสีจากครูวิญญาณภาษาเวทนาถ้าจะยังใช้ชีวิตอยู่ต่อไปในอนาคตหรือชีวิตในวะตะัตฏะพ้นการเห็นไม่เอมันก็มีอยู่เท่านี้นะคือมันนั่งทบทวนใคร่ควรดูอ่ะนะเออชีวิตที่ผ่านมาในอดีตมันก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มาเห็นมาได้ยินรับรู้ชีวิตในอนาคตต่อไปมันก็คืออะไรก็เพื่อเห็นเพื่อได้ยินเพื่อรับรู้เนี่ยนะ สมมติถาเราจะไปกรุงเทพไปทำไมเอา้า้าไม่ให้เอาปิดตาเลยเนะยไม่ยอมไหมปิดหูด้วยปิดจมูกด้วยปิดลิ้นคุณไม่ต้องทานอะไรเลยเนะี่ยแล้วคุณไม่ต้องรับโปรตีนผะนะไปไหอย่างเงี้ยก็ไม่น่าไปงั้นก็นั่งดูทีวีก็ได้เพราะถ่ายทอดทางกรุงเทพมาอยู่แล้วงันก็นั่งดูเอาแค่นั้นเอา